ความหึงหวงคือการผลักไสไม่ใช่การดึงดูดเข้าหาตัวปภมชีวิตคู่ของหลายๆคนเกิดขึ้นเมื่อเกิดการระแวงเกิดการหึงหวงหรือเพราะเข้าใจว่าตัวเองรู้ทันที่คนรักคิดถึงใครอื่นอยู่จะรู้จริงหรือคิดว่ารู้ก็ตามหนทางที่ดีที่สุดคือมีปฏิกิริยาในทางดีต่อกัน เดือเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่คิดถึงคนคนเดียวได้เพราะความคิดม่ใช่สิ่งที่ใครจะควบคุมได้พอเจอหน้าใครก็ต้องเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์และความคิดต่างๆนาๆนาก็ต้องผุดตามเป็นธรรมดานับจากความอะไรหวยหาไปจนถึงจินตนาการทางเพศตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเป็นกันมากที่สุด ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดคือเรื่องของชูทางตาความรู้สึกบาดใจเก็บกดไม่เห็นคนรักมองคนอื่นระแวงกับไว้ใจต่างกันที่ความสุขสงบของจิตระแวงมากว้าวุ่นมากระแวงน้อยว้าวุ่นน้อยไว้ใจน้อยสงบน้อยไว้ใจมากสงบมากหากสะสมความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกครั้งที่จับได้ว่าเขาของคุณเล่ใครก็เท่ากับเพิ่มเชื้อเพลิงขึ้นในใจไปเรื่อยๆใจคุณเสียหายได้ทุกทีที่เดินควงแฟนไปไหนต่อไหนใจร้อนรุ่มนึกอยากด่าแฟนและแล้วความทุกข์ก็จะติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งเพราะคุณพบหญิงงามล่อตาชายได้ทุกทีที่คุณไปถึง สังเกตดีๆบางทีคนที่ไม่น่าไว้ใจก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในนี่เองตัวตนที่แกว่งไปแกว่งมาเอาแน่ไม่ได้นั่นแหละทำให้ว้าวุ่นกว่าใครอื่นนอกตัวเลิกคิดระแวงเลิกพูดรีดเอาความจริงเลิกพยายามพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแล้วหันมาสนุกกับการมองใจตัวเองเห็นตามจริงว่าใจคนเรานั้นแม้ไม่จาเป็นต้องดิน มันก็หาเรื่องดิ้นได้เรื่อยๆหมดจากเรื่องโน้นมาเรื่องนี้หมดจากเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้นอีกพอดูจนเห็นอาการดิ้นของใจชัดเจนบ่อยเข้าคุณจะรู้สึกขึ้นมาขณะหนึ่งว่าอา้าวไม่เห็นต้องดินก็ได้นี่นาะนั่นแหละครับที่ตรงนั้นใจจะเริ่มสงบลงมาเองธรรมดาพอใจเริ่มสงบลงคุณจะเริ่มความพึงใจแบบใหม่ คือพึงใจกับการมองโลกตามจริงเห็นความร่องในโลกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะเห็นชัดเจนว่าไม่เคยมีใครเป็นของใครอย่างแท้จริงเพราะถ้าเป็นของคุณจริงคุณคงควบคุมได้ทุกอย่างรู้เห็นอะไรได้หมดทุกอย่างไม่ต้องสอบถามไม่ต้องสืบสวนไม่ต้องระแวงกันการเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ระแวงเป็นคนมองโลกในแง่ดี ประกายเสน่ห์จากเมตตาจิตจะฉายจ้าขึ้นมาอา น, นิสงส์งที่ได้รับอย่างน้อยที่สุดคือจิตจะใสใจจะเบาซึ่งคนรักจะอยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นกว่าตอนอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดขี้ระแวงอย่างแน่นอนสีลข้อสาห้ามไว้สองอย่างคืออย่าทำและอย่าพูดแต่ไม่ห้ามถึงขนาดว่าอย่าคิดธรรมดาโลกนั้น ชายชอบมองหญิงสวยหญิงก็ชอบมองชายหลอ่อขอเพียงอย่าให้นั่นเป็นปากทางไปสู่การผิดศีลข้อกาเมว่าด้วยการละเมิดสิทธิ์ครอบครองของผู้อื่นเป็นพอเพระาะทำถึงขั้นนั้นธรรมชาติจะไม่ยอมปล่อยเอาไว้แล้วเตรเียมบทลงโทษไว้ให้แน่นอนแล้วเมื่อใดๆในโลกไม่ใช่ของของคุณอย่างแท้จริงไม่อยู่ในมือให้คุณบัญชาว่า อย่าเกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นก็เห็นตามจริงให้ได้ครับอะไรไม่ดีจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ขออย่าให้เริ่มเกิดจากเราก็แล้วกันหมาเหตุผู้อ่านความเป็นจริงของปุถุชนนั้นน้อยคนนะัก ที่จะโง่ทิ้งของดีกว่าไปหาของที่เลวกว่ายกเว้นว่ามีสายใหญ่แห่งบุญผูกมัดไว้เหนียวแน่นและเป็นผู้มีศีลซึ่งแม้เจอของดีกว่าก็ตัดใจทาร้ายกันไม่ลงซึ่งในความเป็นจริงนั้นก็มีควรประมาทกับชีวิตถ้าอยากรักษาคนรักไว้ก็ควรทำตัวให้ดีครบด้านทั้งมันพากันทำบุญสร้างกุศ ล, ลกรรมเป็นประจาท่านว่า แค่การดูข่าวดูละครแล้วด่าคนร้ายร่วมกันก็เป็นการสร้างบาปร่วมกันแล้วและสิ่งที่คู่รักจำนวนมากมักมองข้ามไปก็คือการดูแลตัวเองดูแลเสื้อผ้าหน้าผมการพูดจาอย่างอ่อนหวานให้เป็นเหมือนดังตอนเริ่มคบกันใหม่สารพัดนะครับที่อีกฝ่ายชอบเช่นชอบการแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ชอบทรงผมแบบนี้ไม่ชอบไม่แต่งหน้าจัดหรือแม้แต่บางคนไม่ชอบคนมีขน หลายเรื่องนะครับที่ต้องเปิดใจคุยกันและปรับเข้าหากันเมื่อคนรักเป็นไปได้อย่างต้องการทั้งภายในและภายนอกก็เป็นธรรมดาที่อีกฝ่ายอยากปรับตัวด้วยความเต็มใจเพื่อรักษาอีกฝ่ายไว้ให้นานที่สุดแต่โดยมากนั้นเรามักจะได้เห็นสิ่งตรงข้ามกันจากการกระทำของแต่ละฝ่ายที่เมื่อคบกันนานไปก็เริ่มปล่อยตัวเริ่มพูดจาไม่ดีต่อกันเริ่มทาไม่ดีต่อกันเหมือนสมัยคบกันใหม่ ซึ่งก็แน่นอนว่านานวันไปความรักก็เหลือแต่ความผูกพันหรือหน้าตาทางสังคมเมื่อมีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็ยอมควยเควะได้ง่ายอาการบาดเจ็บสาหัส จ, จากความรักนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มาจากตัวของเราเองทั้งนั้นอยากให้ย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเราดีจริงดีครบทุกด้านแล้วไม่มีใครหน้าไหนที่โง่พอจะทิ้งเราไปได้จริง